50 languages. Twenty-five. Venticinque. In the city. Diciamo. Diciamo. Diciamo. Diciamo. ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมืองดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะก้มไปจากสถานีดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะก้มไปจากแลร์โอบอร์ดดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะ ดิฉันต้องการแท็กซี่อันฟ้าฟัลต้าอุนดิฉันต้องการแผนที่เมืองอ m fa falta un าอุนพดิดิฉันต้องการโรงแรมอดิฉันต้องการเช่ารถยน M'agradaria llogar un cotxe. นี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะ a ี่ใ t a ับขี่ของ e t a ันค่ะนี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะนี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะนี่ใบขในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะเกษดาไปคุณไปเมืองเก่าสิคะ vagi a la ciutat vella คุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะ f a ซ i Una visita guidata un คุณ si ไปที่ท่าเรือสิคะ vagi al port ไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะ f a ซ i Un r e c o r r e g u t p e l port ยังมีที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะ